وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تُرْجِمُونَ لَتَأْجِينْ شَنْ ขอความคุ้มครองต่อพระผู้อภิบาลของฉันและพระผู้ มุจริมนแล้วเขาวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของเขาว่าชนเหล่านี้เป็นกลุ่มชนผู้กระทําผิดดะอัสรีบิอิบาดีไลลันอินนุกุมมุตตะบะอูนวัตรุกิลบะห์รรฮวาอินนะฮุมจุนดุมมุฆรอคนดะนั้นเจ้าจงเดินทางในเวลากลางคืนพร้อมด้วยพวงบ่าวของข้า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 และเลือกสวนไร่นาและอาคารระโหฐานอันมีเกียรติวะนะมติยกะลูฟีฮาฟากิฮีนและความสะดวกสบายที่พวกเขาร่ำรวยกะซาลิกวะเอาเราะษนาฮาเคาอ์มันอาคอรินเช่นนั้นแหละเราได้ให้หมู่ชนอื่นรับมรดกครอบครองมันฟะมาบะกัตอะลัยฮิสสะมาอ์วัลอัฎวะมากานูมู وارين لا ชั้นฟาละแผ่นดินมิได้ร่ําไห้เพราะเสียดายพวกเขาและพวกเขาจะไม่ได้ถูกประวิงเวลา ละโดนแนนอนเราได้วงวานของอิสราเอลรอดพ้นจากการลงโทษที่นาอุดซูจากฟิรอาวที่จริงเขาเป็นผู้โอหังจากบรรดาผู้ฝ่าฝืนวะลากอดักตาร์นาฮุมอะลาอิลมินอะลัลอาลามีนวะอาตัยนาฮุมวะอาตัยนาฮุมมินัลอายาติมาฟีฮิบะลา และโดแน่นอนเราได้เลือกพวกเขาเหนือประชาชาติทั้งหลายในยุคนั้นด้วยด้วยความรอบรู้ของเขาและเดาได้ประธานสัญญาณต่างๆแก่พวกเขาซึ่งในนั้นมีข้อทดสอบอย่างชัดแจ้งอินนาอูลายนากูลูนอินนีอิลาเมาตุนัลอูลาวะมานะห์นุบิมุนชารีนถ้าจริงชนเหล่านั้นแน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่า มันเป็นเพียงความตายครั้งแรกของเราและเราจะไม่ถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นใหม่อีกละอูบีอาบาอินคุนตุมซอดิกดังนั้นจงนําบรรพบุรุษของเรากลับมาอีกสิหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริงอะฮุมไครอัมกอมตับอวัลลดีนมินกอบรฮัมอะฮละกนาฮุม انهم كانوا مجرمين พวกเขากุฟารมักกาดีกว่าหรือหมู่ชนแห่งตุบะห์ชาวซะบะห์แห่งเยเมนและบรรดาหมู่ชนก่อนหน้าพวกเขานั้นเราได้ทําลายล้างพวกเขาเพราะพวกเขาเป็นผู้กระทําความผิด وما خلقنا السموات والارض وما بينهما لاعبين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 เว้นแต่ผู้ที่อัลเลาะห์ทรงเมตตาแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงเมตตาเสมออินนะชะจเราะตัซซะกูมิตะอามุลอะธีมแท้จริงต้นซะกูมจะเป็นอาหารของผู้ที่กระทำบาปกัลมุฮลิยะกลิฟิลบุตูนิกกัลลิลฮามิมเช่นท้องแดงที่ถูกล้อมเดือดมันจะเดือดอยู่ในท้อง เช่นการเดือดพล่านของน้ําร้อนกุซูฮูบะอติลูฮูอิลาซาวาอิลจะฮิมมีเสียงกล่าวแก่ยามเฝ้านรกว่าจงจับเขาไปและลากเขาสู่กองไฟที่ลุกโชนตุมมัสบุฟาวกะราอซิฮิมินอะดาบิลฮามิมและจงราดน้ําเดือดบนหัวของพวกเขาเป็นการลงโทษซุกออิน נכאת אלעזיז אלכרים จงลิ้มรดการลงโทษเถอะแท้จริงเจ้าเคยพูดว่าเป็นผู้มีอำนาจผู้มีเกียรติอินนาฮาดามาอุนตุบิตัมตารแท้จริงนี่คือสิ่งที่พวกเจ้าเคยสงสัย ان الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فَإِنَّ بَنَدَا ผู้ยำเกรงจะอยู่ในสถานอันที่สงบปลอดภัยท่ามกลางสวนสวรรค์อันหลากหลายมีตาน้ําหลายแห่ง يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ พวกเขาจะสวมเครื่องนุ่งห่มที่ทําด้วยผ้าไหมละเอียด ผ้าไหมหยาบนั่งหันหน้าเข้าหากัน كذ ذلك و زوجناه ب حور العين ฉะนั้นแหละเราจะให้พวกเขามีคู่ครองเป็นหญิงสาววัยรุ่นมีดวงตาสวยงาม يدعون فيها بكل فاكهه امنين พวกเขาจะเรียกร้องเอาผลไม้ทุกชนิดที่อยู่ในสวนสวรรค์นั้นอย่างง่ายดาย لا يدعون هنا فيها الموت الا الموت الاولى و وقاهم عذاب الجحيم نفس والسวรร นั้นพวกเขาจะไม่ได้ลืมรสแห่งความตายนอกจากความตายครั้งแรกในโลกดุนยาและพระองค์จะทรงคุ้มครองพวกเขาให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟนรก رب لم ربك كذلك هو الفوز العظيم ดูเป็นความโปรดปราณ